จเจรินสุขท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้จะบรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อให้เป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปต่อไปนี้ก็จะได้บรรยายในหัวข้อว่าอันตรายของพิสุสัมเนธผู้ปวดใหม่มีทั้งหมดสี่อย่างด้วยกันคือหนึ่งอดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้ คือเบื่อต่อคำสั่งสอนที่เกลียดทำตางข้อสองเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทนต่อความอยากไม่ได้ข้อสามเพลดิดเพลินในกามคุณทยานอยากได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปข้อสี่รักผู้หญิงรักผู้หญิงฉะนั้นภิกษุสามนเณรผู้หวังความเจริญแก่ตนก็ควรระวังอย่าให้อันตรายทั้งสี่อย่างนี้ เข้ามาย่ำยีเข้ามาครอบงำได้ทีนี้คําว่าอันตรายของพิสุสัรมเณีผู้บวชใหม่คําว่าอันตรายในที่นี้ประสงค์เอาความว่าพิสุสัมเณีผู้บวชใหม่รูปใดถ้าอันตรายสี่อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าครอบงําย่ำยียจิตใจแล้วพิสุสัมเณีผู้บวชใหม่รูปนั้นย่อมไม่เจริญในสัพพุทธศาสนากล่าวคือไม่สามารถที่จะประกอบ กิจการงานของบรรพิตได้เต็มที่หรือให้ถึงที่สุดได้อาจจะต้องลาสิกขาหรือลาสึกไปท่านเปรียบเป็นตระ ด, ดุจเหมือนกับต้นหมากรากไม้ที่มีหนอนบ่อนไส้ย่อมจะไม่งอกงามในที่สุดก็ตายฉะนั้นนี่ทีนี้ถ้าจะมีคำถามขึ้นมาว่าว่าอันตรายทั้งสี่อย่างนี้เป็นอันตรายสำหรับพิสุสัมมณีผู้บวชใหม่เท่านั้นหรือ พิสูสจน์สมณีผู้บวชเก่ามันไม่เป็นอันตรายบ้างหรือ อ, อันนี้ก็แก้ได้ทันทีเลยว่าการที่ท่านไม่กล่าวถึงอันตรายไม่ถึงของพิสูผู้บวชเก่านั้นก็เพราะว่าพิสูุเหล่านั้นก็เคยเป็นพิสูใหม่มาก่อนอเคยได้รับรู้ได้รับฟังได้รับการอบรมตั่งสอนมาแล้วก็จึงไม่พูดถึงของพิสูุเก่าแต่จริงๆก็มีอันตรายนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่า ท่านเคยได้อบรมสั่งสอนมาเพราะท่านก็เป็นพิสูจใหม่มาก่อนฉะนั้นสำหรับผู้ที่ยังเป็นพิสูุผู้บวทใหม่นั้นพึงละความเป็นคารวะมาใหม่ๆถ้าจะพูดก็ตามทำก็ตามเ อ, อเรียกว่าพูดานภาษาชาวบ้านก็คือว่ายังไม่หมดกลิ่นคาวนะ ย, ยังไม่หมดกลิ่นคาวถ้าหากว่าได้ฟังใครพูดไรก็อาจจะเกิดความ อ, อพาวใจติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเข่าก็ขาดความจับยั้งชั่งใจ เมื่อเกิดความยับยั้งชั่งใจความประมาทหัวเมาก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้นะอาจจะทําตามอําเภอใจของตัวเองหรืออาจจะทําไปพรลุอํานาจอของความรักความชังอันนั้นได้ฉะนั้นอันนี้แหละจึงว่าจึงเป็นอันตรายสําหรับพิสุทธิ์สมณีผู้ปวดใหม่นะฉะนั้นในข้อแรกที่บอกว่าอดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้คือเบื่อหน่ายต่อคําสั่งสอนขี้เกียจทําตามแม่อันนี้สําคัญนะอันนี้สําคัญมากเลยเป็นข้อแรก เพราะคนบางคนเข้าใจผิดคิดว่าการเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานั้นเท่ากับว่ามาเป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะว่าตัวเองนั่นอยู่เป็นฆราวาสนั้นมันลําบากลําบนนะจะมาบวชนะพักผ่อนหย่อนใจมาบวชพักอารมณนะ์กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นการคิดผิดอย่างมหาศาลเลยนะคิดผิดอย่างมหาศาล โดยจริงๆแล้วในทางพระพุทธศาสนานั้นรับคนมาบวชนั้นเอาคนดีนะเอาคนดีนะคนไม่ดีเขาไม่เอามาคนเกียดค้านในทางพระพุทธศาสนาตาหนิมากนะตําหนิมากแล้วคนที่ไม่อดทนในทางพระพุทธศาสนาก็ตํำหนิอีกเหมือนกันนะฉะนั้นอในทางพระพุทธศาสนานั้นต้องให้เป็นคนที่มีความอดทนนะ คนเราเมื่อมาบวชในพระพุทธศาสนานั้นก็จะต้องได้รับการเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาทั้งในด้านประยัดและปฏิบัตินะทั้งในด้านประยัดและปฏิบัติหากว่าเราไม่เรียนรู้แน่นอนที่สุดเราก็จะทําอะไรผิดพลาดเนะมื่อผิดพลาดก็เป็นทุกข์เป็นโทษนะเป็นความเศร้าหมองแก่ตัวเองแล้วก็เป็นความเศร้าหมองแก่ส่วนรวมเป็นที่จิตติจินตินทาเสือส่อมศรัทธาภาษาภะความเสื่อความลวงใส่ฉะนั้นเรา เราทุกคนควรคานึงว่าเมื่อเราเข้าไปปวดแล้วเราจะต้องตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาให้มากเท่าที่จะทําได้ <Okay. S 1> ฉะนั้นคนโบราณจึงบอกว่าไม่เรียนก็ไม่รู้นะไม่เรียนก็ไม่รู้นะไม่ดูก็ไม่เห็นไม่ทําก็ไม่เป็นนะฉะนั้นถ้าเราเรียนเราก็รู้นะถ้าเราดูเราก็เห็นถ้าเราทําเราก็เป็นอย่างนี้สบายนะอย่างนี้สบายมาก ขอให้ท่านสังเกตดูบางคนพอได้รับการาาสั่งสอนมากๆถือว่าเบื่อนายนะเบื่อนายมากนะขี้เกียจนะเพราะว่าการจะอบรมสั่งสอนนั้นจะต้องมีเป็นโรงเรียนเป็นสำนักเรียนเราจะต้องไปนั่งเรียนเมื่อไปนั่งเรียนก็ครูบาอาจารย์เขาก็จะต้องไล่แบบบ้นงะไล่แบบบ้างใส่สวนทวนถามบ้างนะเมื่อไม่รู้ก็อาจจะอายเขานะ จริงๆแล้วก็มันเป็นเรื่องธรรมดาครูบาอาจารย์ท่านถามมันก็มีทางได้และไม่ได้นะแต่มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งน่าละอายแต่ว่าถ้าหากว่าคนไหนไม่ไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจศึกษาแน่นอนที่สุดครูบาอาจารย์ท่านก็อาจจะพูดว่าบ้างนะให้ข้อคิดบ้างอนะอันนี้โดยเฉพาะในข้อนี้อาจารมาได้ทําหน้าที่สอนนักเรียนนักศึกษาทั้งทางโลกทางธรรมอยู่ทั่วไปแล้วจึงย่อมจะรู้ดีว่ามันเป็นยังไงฉะนั้นนักเรียนที่ ไม่อดทนต่อคําสังสอนก็คือบัวหน่ายเขพูนักเรียนที่ขี้เกียจนะก็คือขี้เกียจนั่นเองขี้เกียจมาเรียนขี้เกียจมาฟังพูดขี้เกียจมานั่งในห้องเรียนหนีออกไปเรียนเที่ยวเตร่ให้หมดหมดวันวันหนึ่งพวกนี้ก็คือที่ขุดหลุมฝังตัวเองนะขุดหลุมฝังตัวเองในทางพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะในทางพระพุทธศาสนาก็พวกสาวิสุสามเณรนะที่เข้ามาบวชแล้วถ้าหากว่า ไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจศึกษาอาบวชไปวันวันหนึ่งนะเรียกว่าตื่นเช้าก็ออกปิณฑบาตปิณฑบาตมาแล้วก็ฉันฉันเสร็จแล้วก็อาจจะนั่ง น, น, นั่งอนๆอนนั่งนั่งนอนๆอนที่เรียกว่าอย่างที่เขาพูดบอกว่าเช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนเย็นจำวัดอืมอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะบางคนบอกแหมโยมอาตมาไม่ว่างเลยวันวันหนึ่งโยมถามว่าทําไมลนะ่ะมีงานเยอะ เช้าเอนเพลนอนบายพักผ่อนเย็นจำวัดนี่เรียกว่ามีงานนอนอยู่ตลอดเวลาออมีนัดอยู่กับพิษสมออยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ไม่ไหวประเภทนี้แล้วก็อยู่ไม่นานอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจไม่มีใครอยากสมาคมไม่มีใครอยากคบค้ า, าอันนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีแน่ฉะนั้นขอท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าอยู่ในฐานเนี่ยฐานะอย่างนี้ก็อย่าได้เอาเยิ่งอย่างาเพราะว่า พิสุสามเณรผู้บวชใหม่นั้นยังไม่รู้จักขนบธรรมเนียมอ่าพระวินยัยจําเป็นอยู่ที่พระอุปัชฌายาลูกพระอาจารย์จะต้องแนะนำสั่งสอนนะว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้เหมาะสมสิ่งนี้ไม่เหมาะสมนะให้ตั้งตนให้เรียกว่าให้ทุกคนเริ่มต้นให้รู้จักนิสัยสีอัตตนะเยิกิตสีว่าเป็นกิจที่ควรกระทํานะเป็นกิจที่ไม่ควรกระทํา นี่จะบอกไปเลยว่าผิจอย่างนี้ควรกระทำกิจอย่างนี้ไม่ควรจะทําออย่าทํานะถ้าทําไปแล้วมันมีทุกข์มีโทษผิดสินผิดธรรมเป็นอาบัตอะไรอย่างนี้เราก็ต้องเชื่อฟังคําสั่งสอนอันนี้ก็เป็นการให้ผู้บวชใหม่นั้นได้รู้จักขนมธรรมเนียมในการฉันอาหารบ้างในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะบ้างถึงที่สุดก็คือว่าเมื่อเบื่อหน่ายอไม่ทําตามคําสั่งสอนเสร็จแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็นอันตราย กับผู้นั้นเรียกว่าถูกอันตรายเข้าย่ำดีนะอย่างนี้ก็แน่นอนที่สุดบวดไม่นานอยู่ไม่นานหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความเป็นอยู่ของพิสุสัมเนนนั้นเป็นการอยู่โดยย่านะราธนาของร้อนก็ได้ของเย็นราธนาของเย็นก็ได้องร้อนเพราะว่าพระพิสุสัมมเนนนั้นต้องอาศัยชาวบ้านเขาเลี้ยงชีพนะต้องอาศัยชาวบ้านเขาเลี้ยงชีพเขาให้อย่างไรก็บริโภคอย่างนั้น ต้ำยังต้องเว้นจากการบริโภคอาหารในยามวิการคือตั้งแต่เที่ยงไปแล้วตามสิขาบทบัญญัติอีกถ้ า, าว่าเราไปละเมิดเข้ามันก็ผิดพลาดหรือว่าถ้าหากว่าพวกวิสุสธิส ม, มเณรนั้นไม่เห็นคุณประโยชน์ของการบวชนะอย่างนี้ก็ถือว่าผิดพลาดคือไปเห็นอย่างอื่นเสียว่าเมื่อเราเป็นเครืัข่ายนั่งตาดสนาจะบริโภคสิ่งใดเวลาไหนก็ได้ตามต้องการนะเมื่อมา บวชอย่างนี้ก็เห็นแก่ปากแก่ท้องนะอย่างนี้ก็เป็นอันตรายอีกเหมือนกันนะถูกอันตรายย่ายีแน่อย่างนี้ใช้ไม่ได้ฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายอย่างมหันาลในอีกหลายๆข้อฉะนั้นก็ใครจะขอขยายความออกไปอีกว่าการที่เราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจริงๆนั้นแน่นอนที่สุดทาให้เรารู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้นะทราบในสิ่งที่ไม่ควรทราบ เช่นว่าคำง่ายๆนะอย่างกับเราอยู่คารวาสเราเรียกว่ากินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารแต่พอไปบัวเป็นพระแล้วไม่เรียกว่ากินแล้วนไม่เรียกว่ากินเรียกว่าฉันฉันอาหารฉันจังหันนี่คิดไปแล้วพ่อแม่เราเคยเรียกว่าพ่อแม่ก็มาเปลี่ยนไปแล้วเรียกว่าเป็นโยมนะเป็นโยมเราเคยบอกว่า นอนเวลานั้นนอนเวลานี้เราก็เปลี่ยนมาใช้คําว่าจําวัดนะคําว่าจําวัดนะบางคนก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะพูดกับพระไม่รู้เรื่องไม่ต้องหรอกเมื่อสองสาวันมานี้นะเนี่ยเมื่อในเดือนนี้ในเดือนนี้แหละอาตมาได้คุยกับอคุณหญิงท่านหนึ่งนี่ขนาดเป็นถึงคุณหญิงเลยนะว่าอาตมาคุยก็บอกว่าขอเจริญพรคุณโยมนะแล้วกันคุยคุยไปแล้วก็ ปรากฏว่าพอลงท้ายคุณโยมนั้นก็พูดเจริญพอรอาตมาอีกเหมือนกันคือไม่เข้าใจว่าเห็นว่าพระพูดเจริญพร ก, ก็นึกว่าถ้าถ้าพระพูดกับโยมโยมก็ต้องเจริญพรเหมือนกันม ะ, นะโยมก็เลยลงท้ายว่าขอเจริญพรท่านมหาแห่งเด็ดขาดเลยนี่เรียกว่าไม่เข้าใจนะแล้วอีกแห่งหนึ่งอาตมาได้ไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการมา ถ, ามาถ่ายรูปมาถ่ายรูปหมู่นักเรียนนักศึกษาพอเข้าไป เจ้าแก่ในด้านก็บอกว่ามาธนะุระอะไรอาตมาก็บอกว่าอาตมาจะมาติดต่อไปถ่ายรูปหมู่นักเรียนพอบอกว่าอาตมาจะมาติดต่อไปถ่ายรูปหมูนักเรียนเจ่าแก่ร้านถ่ายรูปก็บอกว่าแล้วอาตมาจะถ่ายเมื่อไหรบอกว่าอาตมาจะถ่ายเมื่อไหรเนี่ยคือพูดเป็นแทนตัวเองว่าอาตมาจะถ่ายเมื่อไร่แทนที่จะถามพระบอกว่าแล้วท่านจะไปถ่ายเมื่อไรอวันไหนเวลาไหนดันไปบอกว่าอาตมาจะถ่ายเมื่อไร่ก็เท่ากับว่าถามตัวเอง อถามตัวเองนี่แหละเรียกว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจนะใช่เราอยู่เป็นคาวาสเราก็รู้เรื่องของคาวาสแต่มาอยู่เป็นพระเราจะรู้หมดไม่น่าฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้นะเรียนรู้ทางนั้นผ้านี่บางคนยังไม่รู้เลยนะว่าอันไหนเรียกว่าที่เขาเรียกว่าไตรปีวรนั้นมันคืออะไรบางคนก็รู้ว่าเห็นเป็นผ้าเหลืองๆก็รู้ว่าเป็นผ้าจีวรอนะอะไรเหลืองๆก็เป็นจีวรไว้หมดนะ คำว่าไตรจีวรเนี่ยมันแปลว่าผ้าสามผืนนะผ้าที่ห่มนั้นเรียกว่าจีวรนะที่นุ่งนั้นเรียกว่าสบงที่ผ้าทับจีวรนั้นเรียกว่าสังคาติดนี่แต่บางคนไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็พูดผิดนะปีนี้พระธมาได้ไปผ่าตัดไสเม็ดใหญ่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะ <c oughs> ไป้ผ่าตัดส ไ, ไปให้หมอตรวจหมอก็ตรวจแล้วว่า ตัดจะได้ดีถ้าเขินปล่อยไว้เดียวก็อาจจะกลายเป็นมะเร็งได้นะก็เลยเชื่อหมอทีนี้ในขณะที่ เ, เข้าไปรอหมอก่อนที่จะถึงเวลาที่หมอจะเข้ามาก็มีพยาบาลอยู่สี่ห้าคนาท่านก็พูดบอกว่าเชิญเข้ามาข้างในนี่เรียกว่าแม้จะพูดกับพระก็ยังพูดไม่ถูกนะนี่เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของวัดของพระนะว่าพระเขาไม่พูดว่าเชิญพูดว่านิมนต์ นี่บอกว่าเชิญเข้ามาข้างในพออาตมาเดินเข้าไปข้างในเป็นไงเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นทันทีเลยพวกพยาบาลก็บอกว่านิมนทรท่านเรื่องสบงออกแม่นี่มันก็ขอประธานโทษที่ามาพูดอย่างนี้ว่านิมนทรท่านเรื่องสะบงออกเออาตมาคนเดียกว่านี่มันจะตัดไยหรือตัดอะไรกันแน่ไอไยมันอยู่ที่หน้าผากแต่ไปบอกให้เอาสบงออกก็คือให้เอาท่านนุ่งออกว่าไงนะนี่ ไอความหมายจริงๆก็คงจะว่าให้เอาสบงให้เอาจีวอนออกนั่นแหละนะให้เอาจีวร อ, ออกแต่ว่าพูดไม่ถูกไม่รู้จักเลยไปบอกว่าให้ในิมม์ท่านเปรื่องสบงออกเนะีอันนี้ก็เกิดเรื่องแน่ถ้าเอาสบงออกไม่รู้ว่าตัดไาอะไรกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความบกพร่องความผิดพลาดเพราะไม่รู้นะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยแล้วแกพูดไปแล้วแกก็ยังลําพุงอยู่ในใจว่า ไม่รู้สิพูดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยบอกว่าไม่รู้สิพูดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอาตมาก็เลยทำเฉยๆซะนะทำเฉยๆอ่าแล้วก็เหตุการณ์นั้นก็ลุล่วงไปด้วยดีอันนี้แล้วจึงบอกว่าเรื่องของพรงนี้มีเรื่องที่เรายังไม่รู้อีกมากนะยังไม่รู้อีกมากการเดินเถินอย่างไรกินอย่างไรกบชั้นอย่างไรกราบอย่างไรเนี่ยขนว่รรำเียมประเพณีเขามีอย่างไรเราก็ไม่รู้เหมือนยังญาติโยมนะ ยอมพาลูกสาวเข้าไปวัดไปทําบุญอ่าทีนี้ลูกสาวก็เห็นพระไปทําวัดนะบางทีวันปาฏิโมกบางก็เห็นพระท่านนั่งลงอบัติกันสององค์หันหน้าชนกันก็สงสัยว่าเอ๊ะพระท่านนั่งทําอะไรน่าทำอะไรแม่ก็เลยอพอดีลูกสาวก็ถามแม่บอกว่าที่พระท่านนั่งสององค์อย่างไงทําอะไรนีบางครั้งก็เห็นมีนั่งองค์เดียวก็มีบางครั้งก็เห็นสองอ ง, องค์แม่ก็เลยตอบบอกว่า ที่พระท่านนั่งสององค์นะพระพระปรองอบัตส่วนพระที่ท่านนั่งองค์เดียวนะพระท่านเยี่ยวรถวัดนะว่าหั้ น, น, นี้ก็เรียกว่านี่แม่แม่ตอบลูกนะแม่ตอบลูกฉะ น, นั้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นธรรมดาอยู่ทุกๆวันสำหรับญาติโยมกับในทางพุทธศาสนาบางคนก็ไม่รู้ไม่เข้าใจฉะนั้นจึงบอกว่าคนที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาใหม่ๆถ้าได้รับการอบรมดี ได้รับได้มีอุปชาดีอาจารย์ดีสำนักดีแล้วเจริญนคนนั้นเรียกว่าบวชแล้วได้ประโยชน์มากมีคุณค่ามากแต่คนที่บวชได้อุปชาไม่ดีได้อาจารย์ไม่ดีได้สำนักไม่ดีก็ไปกันใหญ่เลยที่ว่าอุปชาไม่ดีอาจารย์ไม่ดีอาจารย์ไม่ดีนั้นหมายความว่าไงก็หมายความว่าบวชแล้วก็ทิ้งเลยเขาเรียกว่าเป็นอุปชาเป็ดอุปชาไก่ไขแล้วก็ลุกไปเลย ฉะนั้นตามหลักจริงๆตามทาวีไนจริงๆนั้นอุปชานั้นจะต้องตามสอนลูกศิษย์ตามสอนลูกที่ตนได้บุตร น, นี่คําว่าอุปชาเนี่ยแต่าพูดเข้าไปเพ่งเพ่งอะไรไปเพ่งโทษหรือเพ่งในสิ่งที่มันผิดไม่ดีไม่งามของลูกศิษย์อะไรที่มันไม่ดีไม่งามที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจาก็คอยบอกคอยแนะนําำคอยบอกคอยแนะนําเำ ฉะนั้นถ้าหากว่าอุปชาไม่อบรมสัง่งสอนบวชแล้วก็ปล่อยกันเลยเป็นหน้าที่รับหน้าที่เพียงแค่บวชแค่นั้นนี่แหละอันนี้แหละจึงเป็นพิษเป็นภัยกับพระสงฆ์องค์เลนผู้บวชใหม่มากแล้วเมื่อบวชแล้วหากว่าไม่มอบหมายให้พระอาจารย์ผู้มีความรู้ท่านหนึ่งท่านใดให้อบรมสัง่งสอนก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะผู้บวชใหม่นั้นเข้ามาก็นึกว่าเข้ามาบวชแล้วจะต้องได้รับความสงบได้รับความร่มเย็น แตที่ไหนได้เมื่อเข้ามาบวชแล้วไม่ได้รับความสงบความร่มเย็นเลยเพราะว่าตื่นขึ้นเช้าตัวเองก็อย่างนี้ก็ห่มผ้าไปวินทบาตกลับมาแล้วก็ฉันชั้นแล้วก็ไม่ได้รับคําแนะนําว่าจะต้องทําอะไรไปทําวัดที่ไหนไปเรียนที่ไหนจะนั่งทํำสมาธิอย่างไรเนี่ยก็ไม่มีใครบอกใครแนะนําอย่างนี้แล้วก็คือทําให้ผิดพลาดเยอะนะจะผิดพลาดอีกมากฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าเราได้บวช ได้เรียนที่ตำนักดีอุปชาดีครูบาอาจารย์ดีก็เหมือนกับว่าเรานี้ได้สิ่งอันมีค่านะมีค่ามากซะยิ่งกว่าเพชรกว่าพลอยซะอีกเพราะมันเป็นความรู้อย่างมหันเลยบางครั้งบางคนนี่ยิ่งบวชน้อยวันก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมากเป็นการเข้าปฏิบัติเจริญสมาธิเจริญสมาถะวิปัสนาอย่างนี้เป็นประโยชน์มากยิ่งบวชน้อยต้องทํากิจให้มากบําเพ็ญให้มากอ่า เพราะว่าโอกาสที่เราจะมาศึกษานี่มันน้อยเหลือเกินไม่คุ้มค่ากับเงินที่ญาติโยมได้บวชลูกหลานครั้งครั้งหนึ่งอย่างน้อยน้อยก็เป็นหมื่นนะเสียไปเป็นหมื่นแต่ว่าบวชแค่ห้าวันเจ็ดวันสิบวันนี่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรบางครั้งศึกไปแล้วก็ขอประทานโทษที่บ้านยังส่งถ้วยโถโอชาไม่ทันหมดเลยนะลูกชายพระลูกชายศึกมาแล้วนี่ อันนี้บวชก็เสียเขาเรียกว่าบวชแล้วก็สานเงินสานทองของพ่อแม่ไม่ดีเลยนะอันนี้ไม่ดีฉะนั้นจึงบอกว่าจะบวชทั้งทีต้องเอาดีให้ได้จะบวชทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้นี่อันนี้อาจามาจะบอกอกับพวกครับบวชใหม่อยู่ตลอดเวลาว่าบวชทั้งทีต้องทําดีให้ได้บวชทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้ออ ไม่ใช่มาบวชหลบบวชลี้บวชหนีสงสารบวชสารเข้าศุกบวชสนุกตามเพื่อนบวชเพื่อนศาสนาว่วนบวชฉับตาของร้อนบวชนอนในไฟบวชอย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์นะบวชอย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์ผู้บวชแล้วนั้นจะต้องรู้ความหมายของคําว่าบวชนะคาว่าบวชเนี่ยท่านผู้ฟังทั้งหลายอาจจะมาจากให้ท่านได้มีความรู้กว้างขวางออกไปอีกว่า เกี่ยวกับเรื่องการบวชนะเพื่อเป็นประโยชน์แก่การเรียนการศึกษาหรือว่าการค้นคว้าต่อไปอคำว่าบวชนี่ถ้าตามความหมายของภาษาก็คือมาจากคำว่าบรรพชาหรือบรรพชิตเนะี่ยอันนี้แปลว่าละเว้นนะหรือแปลว่าตัดนะแปลว่าตัดมาจากวัชะนะเนี่ยแปลว่าตัดตัดอะไรก็คือว่าที่ง่ายๆคือต้องตัดผมโกนคิ้วตรงหนวดนะตัดสิ่งที่ คารวะเขากระทำออกไปนะไอเสื้อผ้าอาภรนีิไม่เอานะนะไอเคยกินสามเวลาสี่เวลาก็ตัดออกไปนะเรียกว่าตัดภารกิจธุรกิจต่างๆอย่างคารวะเขากระทำนี่ต้องตัดออกไปเว้นจากสิ่งที่คารวะเขากระทำนี่อย่างนี้แหละความหมายของการบวชทีนี้ถ้าพูดเป็นเลไทยก็คือว่าการบวชก็คือการบ่มนะการบวชก็คือการบ่ม บ่มคนก็เหมือนกับการบ่มกล้วยบ่มมะม่วงถ้าจะถามว่า บ, บ่มกล้วยบ่มมะม่วงเนี่ยเขาบ่มทําไมแน่นอนที่สุดก็คือว่าบ่มให้มันสุกกล้วยมะม่วงที่มันสุกแล้วมันมีสีเป็นไงก็มีสีเหลืองนะมีสีเหลืองและเมื่อมันสุกมีสีเหลืองมันสวยไหมสวยงามมากและเมื่อเรามารับประทานรสเป็นไงหว า, านอร่อยหวาน<า><า>อร่อยนี่คนเราเหมือนกันเมื่อบวชแล้วมันก็สุกนะสุกแล้วสีก็เหลือง นะเหลืองแล้วมันก็หวานอ่าหวานอะไรหวานตาหวานใจอ่าสังเกตดูคนเวลาก่อนจะบวชเป็นพระก็ต้องเป็นนาคตอนเป็นนาคมันมักจะนุ่งขาวห่มขาวในการนุ่งขาวหมขาวบอกถึงความบริสุทธิ์ถ้าเทียบกับผลไม้ก็เรียกว่ า, ายางออกแล้วนะยางกล้วยยางมะม่วงมันออกขาวแล้วนะใกล้จะสุกแล้วเอามาบ่มแค่วันเดียวเองนะเป็นนาคอยู่ได้แค่วันเดียวพักเดียว ภาบวดแล้วก็หอมสีเหลืองนี่สุกแล้วนะหอมสีเหลืองเมื่อเรืองเหลืองอร่ามแต่ว่าสุกอย่างนี้ยังสุกภายนอกนะถ้าเหมือนกับผลไม้ก็เรียกว่าบ่มด้วยแก๊สนะบ่มด้วยแก๊สมันยังเหลืองภายนอกแต่ว่ารสนั้นยังไม่หวานแต่ทีนี้เมื่อตนเองได้ร่ําเรียนศึกษาพระธรรมวินัยมีศีลมีธรรมนี่แหละเรียกว่าสุกนะเพราะมีศีลมีธรรมก็คือว่าศีลเป็นเครื่องรักษากายวาจาให้เรียบร้อยมีธรรมก็คือตัวเองนั่นมีศรัทธา มีความเชื่อมีวิยะมีความเพียรมีสติมีความระลึกได้นะมีสมาธิมีใจสงบมีปัญญารู้ดีรู้ชอบเนี่ยอย่างนี้ก็มีทําอยู่ในใจออย่างนี้แหละจะทําให้เรานั่นสุขภายในนะสุขทั้งภายนอกแล้วก็สุขทั้งภายในฉะนั้นคนที่มีศีลมีธรรมน่ะพูดก็เพราะนะเดินเหินไปไหนก็มีสติมีสัมมชัญญะดูแล้วมันเรียบร้อยอญาติโยมพบเห็นแล้วมันก็เรียกว่า จเจรินตาจเจริญใจนะนี่แหละเขาจึงนิว่าหวานตาหวานใจนี่เหมือนกับผลไม้ที่มีรสหวานนั่นแหละนะนี่ฉะนั้นจึงบอกว่าก็เหมือนกับมะม่วงกับกล้วยที่บ่มให้สุกและยิ่งไปกว่านั้นบางครั้งกล้วยเนี่ยเขาเอามาทำํำ เ, เขามาทําบวชชีนะเป็นกล้วยบวชชีกล้วยบวชทีนั้นจะต้องมีกะทิมีน้ําตาลแล้วก็เอาไปใส่ไปตั้งไฟนะ่อ้วยมันสุกพระที่บวชเหมือนกัน จะต้องใส่กะทิใส่น้ำตาลแล้วก็ต้องตั้งไฟออะไรคืออะิอะไรคือน้ำตาลน้ำตาลนั้นก็ได้แก่พระวินัยพระวินัยเพราะมันหวานหวานพระวินัยนี้เป็นเครื่องฉาบทากายวาจาให้เรียบร้อยใครเห็นแล้วก็หวานตาหวานตานี่พูดก็เพราะก็คือหวานหวานหูแล้วก็หวานใจฉะนั้น จึงได้บอกว่าเป็นมนุษย์ออันอ้อยตาหวานลิล้นเราสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายนี่เห็นไหมเมื่อมันพูดแล้วมันก็หวานหูนะหวานหูแล้วกเกิดความทราบซึ้งก็ไปถึงใจนี่เพราะวิัยนั่นเองฉาบทาทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยก็เกิดความอ่าเห็นแล้วก็คือเจริญตาเจริญใจเกิดความพูดแล้วก็หวานหวานหูแล้วก็หวานใจอทีนี้กะทิละอะไร อากรินั่นก็ได้แก่ตัวธรรมะนะกระที่นั่นจะจับเป็นจุดเลยถ้านะคนมีธรรมะเหมือนกันก็คือเช่นมีความอดทนนะหัวแล้วต้องอดทนอดทนทําความเพียรอดทนทํากิจเจวะนะอดทนจะกอบกิจจะนั่งสมาธิเอ่าสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนานี่ต้องมีความเพียรความเพียรนี่แหละเป็นไฟเป็นเครื่องเผากิเลสนะเป็นเครื่องเผากิเลสเช่นยังบอกว่า ขันติทีรกะลังกาโรขันติตโปสปัตติโนนะี่ที่บอกว่าขันติเป็นเครื่องประดับของนักจัดขันติเป็นตะบะเผาผลาญกิเลสนี่ตะบะเผาผลาญกิเลสฉะนั้นมันเผาผลาญแสดงว่ามันร้อนนะีมันร้อนนะฉะนั้นไฟนี่แหละคือตัวความเพียรนะตัวความเพียรไอ้ความเพียร น, นี่มันเผากิเลสออย่างหยาบอย่างกลางอาให้หมดไปตัวนะก็ตั้งอย่างละเอียดก็ให้หมดไป ฉะนั้นคนที่บวชแล้วก็บรรเทาความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปถึงที่สุดก็คือให้หมดไปนี่อย่างนี้แหละจะได้ทื่ว่าความหมายของคนที่เข้ามาบวชนะเข้ามาบวชพระวินัยนั้นก็คือเหมือนกับแม่แม่เป็นคนนักสวยรักงามนะก็ได้แก่บพระวินัยนะพระวินัยเนี่ยสอนให้เราสวยงามทำให้เราสวยงามทำให้เราเรียบร้อยนะแล้วก็พระธรรมนั้นก็ได้แก็พ่อของเรา พ่อของเราต้องมีความขยันมั่นเพียนต้องมีความอดทนฉะนั้นเรามีคุณธรรมคือตั้งแต่มีความมีคันติมีความอดทนมีวิริยะมีความเพียนประกอบกิจการงานน้อยใหญ่อย่างนี้แหละได้ชี้ว่าเรามีพ่อมีแม่อยู่ในใจมีพ่อมีแม่อยู่ในใจนี่เป็นความหมายของการบวชและการบวชนั้นก็มีอีกหลายอย่างเช่นว่าอุปชีวิกาก็คือพวกนี้บวชเล่น บวชเล่นๆไม่ได้เรื่องใดแล้วอะไรออย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์นะมีแต่ฟวามมัวหมองมีแต่จะชักนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกหมู่คณะหรือแก่วงการในพระศาสนานี่เขาเรียกว่าบวชเล่นอย่างที่สองก็คือว่าอุปอุปชีวิกาก็คือบวเชวนะบวเลี้ยงชีวิตการบวชเลี้ยงชีวิตเขาเห็นว่า ตัวเองนั้นเกิดความยากจนค้นแค้นไม่สามารถที่จะไปประกอบกิจอะไรได้ก็เลยมาอาศัยศาสนาเลี้ยงชีวิตหรือว่าเพราะสังขารมันเสื่อมไม่อำนวยให้นะไม่อำนวยให้ก็เลยต้องมาอาศัยในทางศาสนาเพื่อเลี้ยงชีพดำรงชีพ อ, อย่างนี้ก็มอีอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำประโยชน์ให้ดีเท่าที่ควรและการที่สามก็คือว่าอุปโมยิกาเรียกว่าบวชหลง นะลองบวชนะพวกลองบวชก็คือว่าบางครั้งเมื่อบวชม่แล้วก็ไม่ตั้งหน้าจกษาเล่าเรียนทำในสิ่งที่นอกเลธิน์นอกลอยในทางพระพุทธศาสนาเขาว่าดีก็ดีตามเขาเขาว่าไม่ดีก็ไม่ดีตามเขานี่เขาจะว่ายังไงก็ตามเขาอยู่เรื่อยอย่างนี้พวกนี้บวชหลง น, ะนี่บวชเลี้ยงชีวิตนะบวชเล่น บ, บวชเลี้ยงชีวิตอุปชีวิตกาบวชเล่นก็อุปกีริกา นะอุปกิณ์ลกาบวชเล่นบางครั้งก็สะสมของเก่าบ้างนะหรือว่าบางครั้งก็ทำอย่างน้นทำอย่างนี้หาเรื่องเลี้ยงต้นมากรากไม้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเล่นของอย่างน้น อ, อย่างนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นการไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินะัยทีนี้อีกประเภทหนึ่งก็คือว่าบวชเพื่อออกจากภพเรียกว่าอนิสรณิกา นะบวชเพื่อออกจากภพก็คือบวชและวตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยโดยท่องแท้นะอะไรบวชให้รู้ดีรู้ชั่วนะอย่างนี้ชื่อว่าบวชเพื่อหวังเป็นนิสัยปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานในอนาคตสึกต่อไปนะอย่างนี้ใช้ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าผู้หนึ่งผู้ใดนะเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเป็นพิสุสามนเนรก็ดีนะอดทนฟังคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ แน่นอนที่สุดผู้นั้นก็จะมีแต่ความรู้ความเข้าใจแล้วก็เป็นที่เลื่อมใสของพระสงฆ์องค์เลนด้วยกันแล้วก็จะเป็นที่เลื่อมใสเลื่อมใสคือสตศรัทธาภาษาธรทมของท่านสาธุชนทั่วทั่วไปอันนี้ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญทีนี้เมื่อเมื่อเราทำอย่างนี้แน่นอนที่สุดใครเห็นใครก็ต้องยกย่องใครเห็นใครก็ต้องชมเชยนะชมเชยอันนี้เป็นธรรมดา นะอันนี้ก็เป็นธรรมดาฉะนั้นคนที่อดทนต่อคําสั่งสอนไม่ได้เบื่อหน่ายตัวคําสั่งสอนที่เกียดที่เกียดทําตามอันนี้จึงถือว่าเป็นอันตรายกับผู้นั้นนี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่บอกว่าเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ทองทนความอดอยากไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นภัยอีกเหมือนกันเพราะว่าพระนั้นเขาฉันอาหารสองมือ้อนะสองมือ้อคือมื้อเช้ากับมื้อกลางวัน บางองค์ท่านก็ฉันมือเดียวก็มีนะันมือเดียวก็มีก็แล้วแต่ท่านจะถือทุดดองหรือว่าจะถือตามจัดจากของท่านอย่างไรอันนี้ก็ก็ย่อมเป็นได้นะแล้วแต่ว่าตนเองนั้งจะอธิษฐานเอาอันนี้ก็มีเรื่องที่จตมาตามสมัยที่มาอยู่วัดมหาธาตุใหม่ๆในปีนั้นมาอยู่ใหม่ๆพอในวันเข้าพรรษาก็มักจะบอกว่าในเข้าบรรษานี้ก็ต้องอธิษฐานใจว่า เราจะทําอย่างไรนะจะตั้งใจเราเรียนศึกษาหรือว่าจะไม่โกรธจะขยันทํากิจวัดจะขยันเรียนเนี่ยก็อธิษฐานเอาอ่านะอย่างนี้ก็แต่ก็พออยู่ได้นะส่วนใหญ่แล้วก็พอฉันนะพอฉันนี่เป็นเรื่องของอธิษฐานฉะนั้นพูดถึงว่าคนที่เห็นแก่ปากแก่ท้องเนี่ยมักจะเป็นคนที่อา่าผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยอยู่เรื่อยๆนะอยู่เรื่อยๆก็คือว่าเป็นคนที่ว่าทนหิวไม่ไหว พอหิวแล้ความหิวนี่มันก็บีบบังคับให้ตัวเองทําตามที่ใจต้องการใจปรารถนาได้นะใจปรารถนาได้นี่ฉะนั้นอันนี้แหละก็ถือว่าเป็นอันตรายอย่างหนึง่งนะเป็นอันตรายอย่างหนึง่งเพราะว่าหมอก็เคยพูดบอกว่าบางครั้งก็ถระส่งองเหนนนี่ก็เป็นโรคกระเพาะกันมานะอันนี้ก็น่าเห็นใจแต่ว่าอาหารสองมื้อนี่มันก็ถ้าเราทานเราฉันพอดีพอดีมันก็ ไม่เป็นหรอกถ้าเรารู้จักรักษาเนื้อรักษาตัวก็คงไม่เป็นพิษเป็นภัยถึงกับว่จะต้องเป็นโรคกระเพาะเราทีนี้ที่ว่าเป็นโรคกระเพาะก็เพราะว่าพระสมมององค์เลนนั้นมักจะฉันไม่เป็นมือนะอ่าเรียกว่ารู้เรียกว่าฉันไม่เป็นเวลานะน้อยบ้างมากบ้างแล้วก็บางครั้งก็ฉันจนสายเลยบางครั้งก็ฉันเช้าเนี่ยเป็นเพราะอันนี้เนี่ยจึงทําให้เป็นโรคกระเพาะได้นะเป็นโรคกระเพาะได้อันนี้ก็อย่อมจะเป็นได้นะ แต่ว่าถ้าหากว่าเราทําให้เป็นปิจวัตรนะตามเว ล, าเวลา่าแน่นอนที่สุดในโรคกระพาะก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะฉะนั้นคนที่เห็นแต่ปากแก่ท้องอดทนไม่ไหวก็แน่นอนที่สุดย่อมจะอยู่ไม่ได้นานนะว่าเราเคยอยู่เป็นคาวาสปรารถนาจะกินอะไรจะทําอะไรก็ได้ต้องการปรารถนาของร้อนก็ได้ปรารถนาของเย็นก็ได้แต่ว่าพระนั้นจะไปสั่งอย่างนั้นไม่ได้นะจะไปทําอย่างนั้นเองมันก็ไม่สะดวก คือพระนี้อา ศ, าศัยชาวบ้านเขาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะเขาให้มาอย่างไรก็ฉันอย่างนั้นเขาให้เย็นก็ชันเย็นเขาให้ร้อนก็ฉันร้อ น, นอคือเรียกว่ายินดีตามที่มีที่ได้นะยินดีตามที่มีที่ได้ก็คือว่าเป็นพระต้องเป็นผู้สั ũng, นโดษต้องเป็นผู้เลี้ยงง่ายถ้าเขาให้เย็นแล้วเราจะต้องการร้อนอันนี้ก็กลายเป็นวาผู้เลี้ยงยากเขาให้ร้อนต้องการเย็นอันนี้ก็กลายเป็นว่า เรานั้นก็ไม่แตกต่างอะไรกับคารวาสไม่ดีนะเข้ามาบวชแล้วเราต้องละต้องวางได้นะต้องละต้องวางได้อนะนี่ก็เป็นอันตรายในข้อที่สองที่บอกว่าเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอยากไม่ได้มาในข้อที่สามเพลดิพลดเลนในกา ร, รมคุณทยานอยากได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปคําว่าเพลดิดเพลินในกา ร, รมคุณในที่นี้ก็หมายถึงว่าเลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่น ในรถในการสัมผัสนะในการสัมผัสอันนี้ก็คือว่าติดนั่นเองสิดรูปสิดเสียงติดเป็ี่ยนติดรถติดการสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะอันนั้นจะมาจากตัวคนหรือเป็นอาหารก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ตัวเองนั้นเกิดความทยานอยากนะเมื่อเข้ามาบวชแล้วก็เห็นว่ามันสบายก็พยายามสะสมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะอํานวยประโยชน์นะอํานวยประโยชน์ให้เพิ่มภาระให้กับตัวเอง บางคนบางองค์ขอประทานโทษนะเข้ามาบวชแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ ห, หลายอย่างนะเชี่ยวชาญ ห, หลายอย่างติดในรูปติดในเสียงสะสมรูปสะสมในเครื่องเล่นเสียงต่างๆจนมากมายกลายกองนะเรียกว่ากลายเหมือนกับว่าเป็นห้องนั้นกลายเป็นว่าเหมือนกับห้องขายทีวีขายโทรทัศน์ขายวิทยุอะไรไปเลยก็มีนะเนี่ยซึ่งอันนี้มันก็ ผิดวิสัยจนเกินไปนะเกินไปของอะไรถ้ามันเกินพอดีมันก็ไม่สวยไม่งามเป็นที่จิตถิ่นยินทาของคนอื่นได้นะฉะนั้นเราเป็นพระสงฆ์องค์เล น, นนั้นจะต้องรู้จักละรู้จักวางนะรู้จักพอเหมาะพอควรที่เราเข้ามาบวชนี้เราต้องการจะปลดปลื้งภาระของเรานะอย่าไปรับเอาเข้ามานะอย่าไปรับเอาเข้าเอาเข้ามามันก็เป็นภา ร, ระยิ่งใหญ่นะมันก็ไม่ต่างอะไรกับคารวะนะนะมันก็ไม่ดีนะก็ไม่ดีฉะนั้นเราจะต้อง ต้องละวางสิ่งเหล่านี้นะแม้ว่าในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจ ม, กมูกดวงเกลิ่นลิ้มรสกาถูกต้องสัมผัสใจนะึกคิดอารมณ์ต่างๆต้องรูง้จักยับยั้งชั่งใจนะต้องรู้ว่าต้องรู้เท่าสภาวะธรรมของสิ่งนั้นๆนะรูปก็สักแต่ว่ารูปนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะเสียงก็สักแต่ว่าเสียงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเกลิ่นก็สักแต่ว่าเกลิน่นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา รถก็สัตแต่ว่ารถไม่ใช่สัตว์สุขุนตัวตนเราเขาสัมผัสก็สัตแต่ว่าสัมผัสไม่ใช่สัตว์สุขุนตัวตนเราเขาซทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่กี่รังยั่งยืนนะไม่กี่รังยั่งยืนไม่มีอะไรที่เราควรจะเอายึดมั่นถือมั่นมานะไม่เป็นแก่นสารสาระอะไรนะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราคนละเราก็วางนะหรืออูเบกขาอยู่เฉยๆอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราจะมีแต่ความ สุขมีแต่ความสบายมีแต่ความร่มเย็นแต่ว่าถ้าหากว่าถ้าพิสุสัมมเนนผู้บวชมาแล้วมีความเพลิดเพลินหลงไหลไฝ่ฝันในเรื่องกรมาคุณแน่นอนที่สุดก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เราอยู่ไม่ได้อเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เราอยู่ไม่ได้อเมื่ออยู่ไม่ได้แน่นอนที่สุดก็ต้องสึกออกไปเมื่อสึกออกไปก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับความสุขอย่างนี้อกิดใจก็คิดอยากจะบวชอีก อย่างนี้แหละมันก็เลยเป็นทุกข์เป็นทั่วเป็นอันตรายนะเป็นอันตรายนี่เป็นข้อที่สามส่วนในข้อที่สี่ที่บอกว่ารักผู้หญิงนะถ้าพิสูจน์สมนเณรที่รักผู้หญิงก็ถือว่าเป็นอันตรายอย่างหนึง่งนะําให้อยู่ให้อยู่ไม่ได้นะต้องสึกออกไปนะอันนี้ก็เห็นอยู่มากมายในทางพระพุทธศาสนาเรา ถ้าเรามองดูผิวเผินก็เหมือนว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาคนเรานั้นก็เอาคนมาทำเป็นพระเอาคนมาทำเป็นสมมนเนนนะก็อจะมีบ้างไม่ได้ไอเรื่องการรักชอบทางนี้อจะมีไม่ได้นะฉะนั้นแต่ว่าเมื่อมีแล้วก็ต้องให้รู้จับบัญญะปัรรยังรู้จักควรไม่ควรแต่ว่าในบางองค์ก็ขอประทานโทษก็อาจจะทำเกินพอดีไปของอะไรถ้ามันเกินพอดีมันก็ไม่ดีความพอดีนั่นแหละดี ถ้ามันเกินพอดีมันก็ไม่ดีเมื่อไม่ดีก็เป็นที่ติติตเนินทาของคนอื่นได้คนเราเมื่อรักผู้หญิงก็จะตกเป็นทาสของผู้หญิงอยู่ในอำนาจของผู้หญิงเขาจะชักนำอะไรก็ไปตามที่เขาปรารถนาอันนี้เนี่ยทำให้ตนคิดว่ามันมีความสุขนะเมื่อรักแล้วก็ต้องแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเอามาบารงบาเรอกันเมื่อมาบารงบาเรอกันมันก็รู้สึกทาให้เกิดกิเลสตัณหาไฟ ฝ, ฝันอยากได้สุขมากยิ่ ง, งนกันอีก ผลที่สุดก็คือว่าอยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้ต้องออกไปนี่แหละก็ถือว่าเป็นอันตรายสําหรับพิสุสารรมเณรผู้บวชใหม่ฉะนั้นอันนี้ก็ขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายที่เป็นนักเรียนนักศรรึกษาประชาชนทั้งหลายว่าอันตรายของพิสุสามเณรผู้บวชใหม่สี่อย่างนั้นถือว่ามีทุกมีโทษมากและทําให้ตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ในพระพุทธศาสนาได้ยืนยาว ไม่สามารถที่จะดำรงพระพุทธศาสนาไม่สามารถที่จะเป็นศาสนาพยาธิสืบต่อไปแต่ถ้าหากว่าผู้หนึ่งผู้ใดเมื่อบวชไปแล้วก็อดทนต่อคําสั่งสอนได้ไม่เบื่อหน่ายต่อคําสั่งสอนไม่เกียจคร้านแน่นอนที่สุดบุคคลผู้นี้ถ้าสององค์เนนผู้นี้ก็จะถือว่าเป็นพระที่ดีเป็นสมณเณรที่ดีนะอย่างนี้พระพุทธศาสนาต้องการนะต้องการคนที่ดีต้องการคนมีความรู้นะให้สังเกตดูว่า เวลาพระที่จะบวชเวลาคนที่จะบวชนั้นเขาจะต้องมีคนรับรองนะมีคนรับรองไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ามาบวชได้เลยนะหรือว่าเมื่อบวชแล้วผู้สวดก็จะต้องถามนะอันตรายกิ่งธรรมนะต้องถามว่าเป็นโรคหรือเปล่าเป็นโรคติดต่อไหมนะพ่อแม่อุญาตหรือเปล่าห น, ะนีเขามาบวชหรือเปล่าเขาจะต้องถามทั้งนั้นเลยนะ มีบาดมีผ่าตายพร้อมไหมถ้าไม่มีก็ปวดไม่ได้นี่ฉะนั้นอันนี้แหละที่เขาถามบางครั้งยังถามเลยว่ามนุษย์โสสิว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่า <c oughs> เห็นไหมท่านผู้ฟังก็รู้ว่าเราเป็นมนุษย์เลยยังถามว่าเป็นมนุษย์เหรอนี่อันนี้ก็แสดงว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นเลือกเฟ้นมากเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนนั้นมีการปลอมตัวบวชกันนะมีการปลอมตัวบวชอันนี้ก็มีตำนานเล่า ว, ว่ามี พญานาคซึงมาจากเมืองบานดาลมีความเลื่อมใสศรัทธานในพระพุทธศาสนาอยากจะบวชก็แปลงร่างมาเป็นคนมาขอบวชเมื่อบวชเป็นพระแล้วก็ปรากฏว่าพญานาคนั้นเมื่อจะไปอยู่ในสภาพเช่นไรอะจะต้องกลับกลายเป็นพญานาคอย่างเดิมก็เช่นว่าหนึ่งเวลานอนหลับแม้ว่าจะเป็นพระร่างก็จะกลายเป็นงูทันทีแล้วก็เวลา เศษสังวาสกันร่างก็จะกลายเป็นงูทันทีฉะนั้นก็ปรากฏว่าเมื่อพญานาคเข้ามาบวชในระฆัสศาสนาแล้วพอถึงเวลากลางคืนจําวัดร่างของพระพญานาคนั้นก็กลายเป็นงูใหญ่นกลายเป็นงูใหญ่อันนี้แหละก็ทําให้พระพิสุสัมเณีที่เห็นเหตุการณ์นั้นก็ไปกราบทูลพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าไม่ได้เป็นสัตว์จะได้ฉานจะมาบวชไม่ได้เป็นเพศติดต่ํำนะไม่ใช่อุดมมาเพศอขอให้ อกลับไปจะตามเดิมเถอะก็รู้สึกว่าพญานาคไม่เสียใจมากนะทั้งๆั ท, ที่มีศรัทธาอยากบวชแต่ก็ไม่ได้บวชก็อยา ก, กนั้นเลยในไหนตัวเองไม่ได้บวชแล้วก็ขอฝากชื่อคาว่านาคเอาไว้ในพระพุทธศาสนาสักหน่อยเถอะว่าคนที่ก่อนจะบวชนั้นให้เรียกวันนาคจนกระทั่งเรียกวันนาคสืบมาจนทุกวันนี้อันนี้ก็เป็นตำนานกล่าวไว้ฉะนั้นจึงได้บอกว่าเขาจึงถามว่ามนุษย์โสสิเป็นมนุษย์หรือแล้วยังถามอีกว่าอุริโสสิ ว่าเป็นบุรษุษหรือเนะี่ยอันนี้มันก็แปลกก็รู้ว่าเป็นผู้ชายมาบวชแล้วยังถามอีกนะ่อันนี้ก็ป้องกันพวกคนละป ก, กะเภทคนสองเพศมาบวชกุกกะเทยนี่บวชไม่ได้นะ่ะมาบวชไม่ได้นี่ออันนั้นอันนี้แหละในทางพระุทธศาสนาจึงเลือกเอาแต่คนดีนะ่ะเลือกเอาแต่คนดีแต่ที่เราเห็นทุกวันนี้ที่ไม่ได้เป็นไปตามนี้ก็เพราะว่าขอประทานโทษเป็นความย่อหย่อนของอ่าครูปรชาอาจารย์ นะเป็นความย่อหย่อนของพวกอุปชาไม่ได้ทาหน้าที่ตามทวินไยโดยท่องแท้นะอาจจะว่าเมตตา ม, มากเกินไปนะโดยที่ว่าลืมทวิัยคํำสังสอนขาพอพระองค์ว่าอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นบ่อนทำลายศาสนาโดยทางอ้อมทางหนึ่งเหมือนกันนะโดยทางอ้อมทางหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าหากวัานในเราคุธศาสนาของเราได้คนดีคนมีความรู้มาบวช แน่นอนที่สุดเมื่อคนมีคนดีคนมีความรู้มาบวชบวชแล้วก็ทําให้าศาสนานั้นมีชื่อเสียงดีแล้วก็จะไปอบรมสั่งสอนประชาชนก็ทําให้ประชาชนนั้นเป็นคนดีคนมีความรู้แต่ได้คนไม่ดีมาอ่าก็เท่ากับว่าเป็นการย่ำยีในพระพุทธศาสนาเมื่อเอาไปสอนประชาชนก็ทําให้ประชาชนนั้นคลอยโง่เง่ไปด้วยนะโง่เง่าไปด้วยฉะยนั้นจึงบอกว่าการบวชนั้นในทางคุกซาจริงๆแล้วต้องการคนดี อต้องการคนดีแต่ที่เราเห็นว่าไม่มีคนดีคนที่การบางทีก็มีมาบวชอะไรอย่างงี้อันนี้ก็ไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยนะอันนี้ขอให้รับทราบไปด้วยว่าไม่ถูกตก้องตามหลักพระธรรมวินัยตามหลักพระธรรมวินัยจริงๆนั้นจะต้องเอาแต่คนดีนะเอาแต่คนดีฉะนั้นอันนี้ก็ฝากให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายไว้เป็นข้อคิดว่าทุกวันนี้มักจะบหวกันว่าเอ๊ะทาไมอย่างนั้นจึงบวชได้ทําไมอย่างนี้จึงบวชได้อันนี้จริงๆแล้วมันไม่ถูก ไม่ถูกต้องตามความาตามความเป็นจริงอา้าวทีนี้ก็ว่าไปแบบกว้างๆว่าที่บอกว่าเป็นอันต ร, รายของพิสูุส์สมณีผู้บวชใหม่ถ้าอดทนต่อคาสั่งสอนไม่ได้แต่ว่าถ้าอดทนได้ก็ไม่เป็นอันตรายในข้อที่สองที่บอกว่าเห็นแก่ปากแก่ท้องทนต่อความอยากไม่ได้แต่ถ้าเราไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องอดทนต่อความอยากได้นี่แหละ จะเป็นพระพิสุสามเนรที่ตนะีเป็นสามเนรที่ตีอาตมาไม่เคยสอนให้ลูกศิษย์ทุกหาว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนะอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการดำรงชีวิตของพระนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้ามองดูเ้เพิ น, นก็รู้สึกว่ามันสะดวกสบายนะ แต่บางทีจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเหมือนกันอันนี้ขอให้ท่านคิดในอีกแง่นึงการดำรงชีวิตของพระเนี่ยบางทีก็ก็ลำบากเหมือนกันญาติโยมอาจบางคนอาจจะรู้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้คือบางบางวัดนี่ก็อยู่ในที่สมบูรณ์ก็คือการการบินตบบาทการขบฉันนี่สมบูรณ์ อ, อันนี้ก็ตัดปัญหาไปในเรื่องนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าบางสำนักบางวัดนั้น ในกรุงเทพนี้ถือว่าการบิณฑบาตไม่ค่อยสมบูรณ์พรสงฆ์องค์เนนมากๆอย่างเช่นที่วัดมหาธาตุอย่างนี้ปีหนึ่งก็มีพระภิกษุสองสมเณรจำพรรษาสี่ร้อยกว่ารูปฉะนั้นสี่ร้อยกว่ารูปนี่เราลองพิจารณาดูจะไปบิณฑบาต ท, ที่ไหนใ ห, ให้ได้หมดทุกองเนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าใ น, ในสถานที่ออกโคจร อ, ออกบิณฑบาตนั้นไม่ใช่มีแต่วัด มาธาตุวัดเดียวอย่างเช่นวัดโพนี่ก็มีพระสองร้อยกว่ารูปอ่าวัชนาสงครามนี่ก็สองร้อยกว่ารูปอวัดอสิริอมรรตหรือว่าวัดเทศดทีดาวัดรัตนดาวัดส เ, เกตอะไรเนี่ยวัดสุทัศน์นี่ก็มีนาบาดมาสวนกันไปสวนกันมานี่เป็นพันพันรูปเป็นพันพันรูปแล้วก็แน่นอนที่สุดยอมจะมาใส่ได้ทุกรูปไม่ได้ก็บางองค์ก็ได้บางองค์ก็ไม่ได้บางองค์ก็พอชันบางองค์ก็ไม่พอชัน เนี่ยอย่างนี้ก็มีฉะนั้นอันนี้แหละค้าบจึงต้องอดทนถ้าใครถ้าพิสูจนําำเร็จอดทนไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นบางองค์ท่านก็นเลยถึงก็ต้องมีหม้อข้าวไว้นะต้องมีหม้อข้าวไว้พอไม่ได้ก็ตั้งหม้อข้าวนะบางทีก็มีน้ําพริกไว้ใส่กระปุกไว้ใส่คลองไวนะ้เป็นพริกต่นไม้มีเกลืออะไรก็แล้วแต่อนะฉะนั้นชาที่อยู่ในกรุงเทพบางวัดนี้ ก็ต้องมีความอดทนมากแต่บางวัดที่อยู่ในเขตนั้นๆก็ไม่ค่อยมีปัญหานะอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอันนี้ก็พูดถึงว่าการดํารงชีวิตของพระในกรุงเทพก็มีเรื่องขำขำที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ได้ฟังสักเรื่องหนึ่งคืออาตมาได้เคยไปบินระบาดนะเคยบิณฑะบาดแถวแถวหน้าศาลเจ้าพ่อเสือเมื่อเมื่อสิบกว่าปีล่วงมาแล้วนะเป็นบิณระบาดแถบนั้น ก็ปรากฏว่าที่หน้าสามเจ้าพ่อเสือนั้นจะมีคนซื้อข้าวใส่บาตรมากอันนี้อาตมาไม่รับนะไม่รับเพราะเห็นว่าไม่เหมาะสมแต่ว่าเดินผ่านไปที น, นี้เดินผ่านไปตรงนั้นจะมีโยมคนหนึ่งเนี่ยจะซื้อกล้วยหอมหนึ่งหวีแล้วก็ไก่ย่างหนึ่งตัวใส่บาตรทุกวันแล้วก็จะต้องมาพอดีกับที่อาตมาเดินไปทุกๆครั้งนะไอ้เจะว่าอาตมาจะไปขออย่างนั้นก็ไม่เคยนะไม่เคยเลยว่า จะต้องไปใส่ใจคือเดินผ่านไปไม่ไ ม, ไม่ประสงค์จะรับที่ไหนแต่ว่ามีคนต้องใส่ก็จะแวะรับแต่ก็ถึงกับโยมตรงนี้ทุกทีพอดีทุกทีวันหนึ่งในขณะที่ยืนรอที่คุณโยอมจะใส่แต่คุณโยอมคนนี้มีปกติอยู่อย่างว่าเวลาจะใส่บาตนี้รู้สึกว่าจบนานเลอเกินนจบนานมากสักสิบนาทีได้แมมรู้สึกว่าโยอมลองคิดดูว่า ยอมจะใส่บาตนั่งจบสิบนาทีเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ไวเลยนะช้ามากเลยเอพระยืนคอยแล้วก็บิดไปบิดมาเลยเอ๊ะมันนึกว่านี่ยืนทําไมกันแน่ ย, ยมที่เดินผ่านไปผ่านมาคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็เอ๊ะพระนั่นยืนทําไมนานจังเลยแต่หารู้ไหมว่าโยมยังนั่งถือเป็ดถือไก่จบอยู่นั่นแหมรู้สึกว่าญาดมากนะเรียกมาหมดเลยปีทุ่งปีท่าปีปลาพี่เขาเลยมาช่วยหมดเลยแหม ไอ้เราก็ยืนบิดไปบิดมาไอ้คันจะไปเราก็ลงทุนมายืนตั้งนานแล้วนะจะไปชั่วเด็วก็ไม่ได้อุตส่าห์ยืนมานานแล้วยังไงก็ต้องเอาให้ได้ปรากฏว่าพอถึงเวลาโยมก็จะใส่จริงๆไม่รู้ว่าหลวงพ่อแวบมาจากทางไหนมายืนรับจะได้แม่รู้สึกว่าอันไลนะเกิดความเสียดายเกิดความอันไล่นี่อันนี้ก็เล่าเหตุการณ์ที่ได้ประสบมานะเกิดความอันไล่ฉะนั้นก็อย่างนี้ก็ต้องอดทนต้องมีคันติมากๆนะ อุต a ลงทนยืยืนตั้งนานแล้วก็ยังไม่ได้อีกนะนี่ฉะนั้นต้องมีขันติมากๆอืมก็อย่างนี้แหละท่านผู้ฟังทั้งหลายมันก็คงของอะไรส่วนมากมันก็มีทั้งดีไม่ดีนะควบคู่กันไปอันนี้เราต้องยอมรับนะต้องยอมรับทางโลกเหมือนกันทุกกระทรวงทุกกรมกองก็มีดีมีชั่วเหมือนกันในศาสนาเหมือนกันเมื่อคนเอาคนเอาลูกหลานขงญาติโยมมาทําเป็นพระนะเป็นพระก็ยังมีกีเรสอยู่ นะก็ย่อมจะมีดีมีชั่วนะเป็นธรรมดานะแต่สิ่งเหล่านี้เราปรับปรุงกันได้แก้ไขกันได้นะแต่ทีนี้คนที่ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องนะอดทนต่อความอดอยากได้แน่นอนที่สุดคนอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็ได้นะอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่เป็นพิษเป็นภยัยนะอันตรายก็ทำอะไรไม่ได้แล้วในส่วนที่บอกว่าเพลิดเพลินในกามาคุลนะในกาลมาคุลห้านั่นเองนะลูกเสียงเพลนรถสัมผัสเนี่ยอย่างนี้ พยานอยากได้สุขยิ่งขึ้นไปก็คือว่าคนพอติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสหรือในการสัมผัสต่างๆอในชื่อว่าเป็นอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเป็นอิทธารมณเป็นอิทถารม์เห็นรูปแล้วมันก็สวยงามไปหมดนี่ฟังเสียงแล้วก็เพลาะไปหมดแม้กลิ่นมันก็ดีไปหมดรถมันก็อร่อยไปหมดแม้การสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันนุ่มมันนิ่มไปหมดเลยในอย่างนี้ถือว่า เราประสบกับอิทธารมณ์เป็นอารมณ์ที่น่ารักน่าใครน่าปรารถนาแต่ว่าอารมณ์เหล่านี้มันเป็นค่าศึกกับพรหมจักรนะเป็นค่าศึกต่อการบวชเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งนะดัะนั้นที่สุสัมมาเ น, นจงต้องสำรวมระวังพยายามละเว้นเสียให้ห่างไกลถ้าที่สุสัมมเนยยังมัวเมาเพลิดเพลินใส่ฝันอยู่แต่เมื่อครั้งเหมือนกับยังเป็นคารวะเคยมีความสุขสมอภิรมย์อยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ ย่อมจะเป็นเหตุให้เกิดความกำเริบเสศสานใจทําให้ใจนั้นเกิดฟุ้งซ่านเกิดความฟนะูจนถึงที่สุดก็อยู่ไม่ได้ท่านถึงว่าเป็นอันตรายประการหนึ่งนะเป็นอันตรายฉะนั้นอันนี้แหละก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงมากแต่ว่าบางคนถึงแม้ว่าท่านจะมีความคลุกคลีอยู่อย่างนี้แต่ว่าท่านก็ไม่ได้ติดอะไรมากนะถือว่าเอามาให้เป็นประโยชน์นะกามคุณ น, นี้ถ้าหากว่า เรารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นโทษกับตัวเรานะเป็นโทษกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีคุณมา ม, มันมีคุณอนันต์ก็มีโทษมาหันเหมือนกันเหมือนกับไฟนะเหมือนกับไฟมันเป็นของร้อนนะมันมีทั้งคุณทั้งโทษถ้าเราทำดีก็เป็นประโยชน์แกเราแกงหงส้มได้นะเอาปิ้งอะไรได้ย่างอะไรได้ แต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นประโยชน์เขา อ, อาจจะไม่เราได้ไม่บ้านไม่ช่องก็ได้นี่หนังสือพิมพ์ยังลองว่าอไฟไหม้เนี่ยฤดูหนาวนี้มักจะมีไฟไหม้กันเยอะนะมากเสียกันมากฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีคุณก็มีโทษนะมีคุณก็มีโทษมันเป็นของคู่กันแต่คู่ที่จะใช้นั้นต้องรู้จักความพอดีนะต้องมีสติปัญญาเหมือนกันในกามาคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือว่าการสัมผัส ต, ต่างๆนี้ เราต้องรู้จักพอดีต้องรู้จักความจริงว่าโรคที่มันเกิดขึ้นกับเราที่เราเห็นด้วยตานั้นอ่าเมื่อเรารู้แล้วว่าเป็นโรคผู้หญิงผู้ชายแล้วก็อย่าไปปรุงแต่งให้มันเกิดรักชอบชังถ้ามันเกิดรักชอบชังแน่นอนที่สุดเราก็จะเกิดราคะคือความกำหนัดอยู่ในใจถ้าเกิดเราไม่พอใจมันก็เป็นอริธารมแล้วก็เกิดโทสะขึ้นในใจไม่ชอบอไม่ชอบเห็นโรคอย่างนี้ไม่อยากฟังเสียงอย่างนี้ ไม่อยากดมเปลนอย่างนี้ไม่อยากได้รับอย่างนี้ไม่อยากถูกต้องรับอย่างนี้มันก็เกิดโทสะเมื่อเกิดโทสะมันก็เกิดความรล่าร้อนในใจมันก็เกิดอิเลชความเผาผลาญใจเรียกว่าโทสักขีไฟคือโทสักเมื่อโทสะเกิดขึ้นแล้วเราก็ผลักสิ่งนั้นให้ออกไปไม่อยากไม่ต้องการไม่ปรารถนานี่แหละมันก็เป็นเหตุให้เรานั้นเกิดทุกเกิดความเดือดร้อนอีกเหมือนกันหรือว่าบางครั้ง เราชอบนะเราชอบตัวเกิดเกิดความราคะความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแล้วเราก็ทําไปตามอําเภอใจเมื่อเราทําไปตามอํานาจของราคะโมหะมันก็สนับสนุนเมื่อเราไม่ชอบก็ทําไปตามอานาจโทสะโมหะมันก็สนับสนุนฉะนั้นที่คนเราทําอะไรทุกวันนี้ก็ไม่พ้นกิเลสสามตัวคือราคะโทสะโมหะหรือไปอีกบางที่ก็จะพูดว่าโลภะโทสะโมหะ ไอ้ตัวราคะเนี่ยมันก็มีโลกอยู่ไ อ, ต อ, ไาาาอไต้ตัวอยากได้ราราคะความกำหนัดยินดีเนี่ยมันอยากได้นี่แหละมันตัวโลกตัวอยากได้เมื่อเมื่อได้สมความปัตินายตัวโมหะนั่นมันก็สนับสนุนฉะนั้นทุกครั้งที่มีราคะโทสะตัวโมหะจะต้องผสมลงอยู่เรื่อยอยู่ตลอดเวล า, าอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นอันนี้แหละเราไม่ติดไม่ติดรูปไม่ติดเสียงไม่ติดกลิ่นไม่ติดรสไม่ติดสัมผัส วางวางตัวเป็นกลางมันก็เป็นประโยชน์แก่เราเป็นประโยชน์แก่เราได้เอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาการเอาสิ่งเหล่านั้นน่ะเอามาใช้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแกสังคมได้นะแกสังคมได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราเราเราคิดอย่างนี้เราทราบอย่างนี้เราทำอย่างนี้อันตรายก็ย่ำยีเราไม่ได้นะย่ำยีเราไม่ได้ฉะนั้นมาอีกข้อหนึ่งที่บอกว่า รักผู้หญิงก็คือว่าการที่เราเอาใจไปจดจ่อฝักใฝ่ในผู้หญิงคนใดคนหนึ่งด้วยความสามารถน่ด้วยความสามารถว่าเราเกิดความพอใจรักให้ด้วยอำนาจแห่งราคะเรียกว่ารักผู้หญิงฉะนั้นอย่างนี้ก็ถือว่าเรานั้นขาดความสำรวมระวังไม่รู้จักปิดไม่รู้จักกั้นอันตรายที่กำลังจะเข้ามาเราเปิดรับอันตรายเข้ามาเราเกิดรับศัตรูเข้ามา อันนี้อันตรายมากคนโบราณนี่ถือจังเลงเรื่องผู้หญิงกับพระนี่ถือมากถือจะจนบางครั้งก็เลยให้เป็นเหตุไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องคือบางทีว่าเป็นผู้หญิงแล้วเข้าใกล้พระไม่ได้ผู้หญิงนี่แทบจะไม่ให้เข้ามาวัดเลยนะเรียกว่าจะไปพูดไปคุยกับพระไม่ได้ฉะนั้นอันนี้แหละจึงทําให้คนที่หัวโบราณหน่อยก็เลยว่าไม่กล้าเข้าไป ไปวัดไปคุยกับพระไปสนทนาสนทนาธรรมกับพระเขาถือว่ามันเป็นผิดไปหมดนะนี่เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจอนะไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ทุกวันนี้เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะก็จึงทําให้มีผู้หญิงนี้ได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินะัยในวัดในวามากนะนะมีความใกล้ชิดกับพระสองฆ์องค์เล น, นมากก็ทําให้รู้ดีแล้วก็รู้ชั่วมากอีกด้วยรู้ดีมากแล้วก็รู้ชั่วมากนะรู้ว่า พระสงฆ์องค์เลนทำอย่างนั้นดีถ้าสงฆ์องค์เลนทำอย่างนั้นผิดอันนี้แสดงว่าได้เรียนรู้ประสา ม, มินยัยแต่สมัยก่อนไม่ได้อ่ายิ่งธรรมะนนอกในยังถือมากนะธรรมะนนอกในถือมากฉะนั้นบางครั้งเราเดินไปตามถนนเนี่ยถ้าสวนทางกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงนี่จะหลบไกลลงถนนไปเลยหันหลังให้เลยนี่อันนี้แหละถือว่ามันก็กิดพลาดมากเกินไปนะมากเกินไปฉะนั้นที่ผู้หญิงที่ว่าจะเป็นพิษเป็นภัยนั้นมันก็ต้อง เรียกว่ามีจิตใจจดจ่อต่อกันนะมีจิตใจจดจ่อต่อกันก็ย่อมจะเป็นทิพเป็นภัยได้แต่ถ้าเราเข้ามาด้วยความปรารถนาดีนะปรารถนาดีมาเพื่อศึกษาเ ร, าเรียนพระธรรมวินัยมาเพื่อรับใช้ในกิจการงานต่างๆอันนี้มันเป็นประโยชนนะ์ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะฉะนั้นในข้อที่บอกว่ารักผู้หญิงนี้ถ้าหากว่าเรารู้จักสำรวมรู้จักปิดกัน้นรู้จักระวังไอโทษมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะ โทษนันก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็มีแต่มีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนะปิสุสามเณรผู้บวชใหม่ถ้าเกิดความรักผู้หญิงขึ้นเสียแล้วก็แน่นอนที่สุดจะทําให้ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทําให้ไม่ตั้งใจปฏิบัติกิจของบรรบจิตกิจของสามเณรเมื่อไม่ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนไม่ปฏิบัติธรรมแน่นอนที่สุดประโยชน์ก็ไม่เกิดขึ้นกับตัวเองประโยชน์ก็ไม่เกิดขึ้นกับส่วนรวมนะเพราะฉะนั้น ท่านจึงจัดว่าผู้หญิงนี้ถือว่าเป็นอันตรายสำหรับพิสูจน์มเณรผู้บวชใหม่แต่สำหรับพิสูจน์สมเณรผู้ที่บวชเก่านั้นเมื่อได้ผ่านสิ่งนี้มาแล้วก็ย่อมจะมีความสมรวมระวังตาหูจมูกเล้นกายใจเนื้อเยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมก ล, ลิ่นลิ้นเล่นรสกายถูกต้องสัมผัสใจนะึกคิดในลมต่างๆก็รู้จักหยับยั้งชั่งใจอยู่อันตรายก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นที่ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องอันตราย ของพิสุทธสมณเณรผู้ปวดใหม่มา ก, ก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอองนาจคุณประสีรัตนะไตรคือคุณประพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จรงอภิบาลคุ้มครองป้องกันให้ท่านผู้รับฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวดดัสดีขอเจริญพร